ใครที่จะทำลายนั้นก็คือใครที่จะทำลายสิ่งที่มาขัดขวางต่อความประสบความสำเร็จในการได้ต่อความที่จะเป็นของตนเป็นตนอยู่ในขันห้านั้น จึงมีความดิ้นรนกวัดแขวงกระสับกระส่ายและอาการที่จิตมีความดิ้นรนวัดแขวงประสับประสายไปเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเป็นเพื่อที่ทำลายนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้ารัดยกเอาข้อนี้ขึ้นมาว่า เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อจะได้เพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะทำลายซึ่งอาจจะย่อลงได้เป็นสองคือดิ้นรนทยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามาอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะผลักออกไปอย่างหนึ่งความลิ้นรนทยานอยากที่จะได้ที่จะเป็นนั้นเป็นความลิ้นรนทยานอยากในอันที่จะดึงเข้ามาความลิ้นรนทยานอยากที่จะทำลายเป็นความลิ้นรนทยานอยากเพื่อจะผลักออกไป <c oughs> ก็คือว่ดึงเอาที่ชอบใจเข้ามาผลักที่ไม่ชอบใจออกไป อาการของจิตที่เป็นความลิ้นรนทะลังหยาบดังนี้เรียกว่าตัณหาและก็อเนื่องมาจากหรือประกอบกับตัวนั้นที่ความเพลิดเพลินกับราคะความติดใจ ย, ยินดีอยู่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้น จึงมีความยึดยึดอยู่ในขันห้าไม่ปล่อยยึดว่าเป็นตัวเราของเราหรือว่ายึดว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมามัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอตตานี่เป็นอัตตาตัตตนของเรา ย่อลงก็คือว่ายึดว่าเป็นตัวเราของเรายึดอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเรายังมีความยึดอยู่ดังนี้ ลักษณะที่ยึดนี้เรียกว่าอุปาทานลักษณะที่ดินรนทะยานอยากของใจเรียกว่าตัณหาลักษณะที่เพลิดเพลินเรียกว่านันทิลักษณะที่ติดใจยินดีเรียกว่าราคาะเหล่านี้ปั้นเดียวซึ่งเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูดและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป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 อรหันตสมมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้จะได้แสดงว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นธาตุของตันหาคือความริ่นรนทยานยาก หรือเป็นธาตของกิเลสกองราคะโทสะโมหะหรือว่ากองโลภโกรดหลงจะปฏิบัติด้วยธรรมะข้อไหนจะได้ แสดงธรรมะข้อหนึ่งหรือสองข้อก็คือสติหรือว่าสติและปัญญาข้อปฏิบัติสำหรับที่จะ ทำให้ไม่เป็นธาตุของตัณหาหรือธาตุของกิเลสก็คือปฏิบัติธรรมสติหรือวสติและปัญญานี้เองต่หากว่าไม่ปฏิบัติธรรมสติหรือสติและปัญญา จิตก็จะต้องตกเป็นธาตุของตัณหาหรือเป็นธาตุของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการที่จะเป็นธาตุของตัณหาไม่ต้องการเป็นธาตุของกิเลสก็จะต้องปฏิบัติอบรมสติให้มีขึ้น หรือว่าอบรมสติปัญญาให้มีขึ้นรักษาจิตใจจิตใจจึงจะไม่ของตัณหาของกิเลสสำหรับสตินั่นก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง สติปทานก็ดังที่เด้กเคยกล่าวมาแล้วในขั้นปฏิบัติสติปทานก็แปลว่าตั้งสติคือปฏิบัติตั้งสติและในขั้นที่ เป็นสติปฐานขึ้นจริงๆก็แปลว่าสติตั้งอันเป็นผลของการปฏิบัติตั้งสติฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติตั้งสติก็เรียกว่าสติปฐานและเมื่อปฏิบัติจนสติตั้งขึ้นได้ ก็เรียกวสติปัฏฐานแต่ว่าสติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสตินั้นเป็นเหตุส่วนสติปัฏฐานที่เป็นสติตั้งขึ้นเป็นผลซึ่งจะต้องมีเหตุก่อนคือต้องปฏิบัติตั้งสติขึ้นมาก่อน จึงจะได้ผลคือสติตั้งและเมื่อสติตั้งขึ้นมาได้จิตก็จะไม่เป็นพาต์ของตัณหาไม่เป็นพาต์ของกิเลสเมื่อกล่าวยกอมวดธรรมะขึ้นมาดังนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการปฏิบัติยาก แต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติยากทุกคนปฏิบัติได้ในเมื่อมีความเข้าใจในสับแสงในความหมายของสับแสงฉะนั้นในขั้นตน้นก็ให้ทำความเข้าใจคำว่าสติก่อน วสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดจิตลงไปดูให้รู้ให้เห็นดังนี้คือสติและ สติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสติก็คือตั้งจิตกำหนดลงไปดูให้รู้ให้เห็นหากจะถามว่าดูให้รู้ให้เห็นอะไรก็ตอบว่า ดูให้รู้ให้เห็นกายคือกายนี้ให้รู้ให้เห็นเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขที่มีอยู่นี้ดูให้รู้ให้เห็นจิตคือจิตใจ ที่คิดที่รู้อยู่นี่ดูให้รู้ให้เห็นทรรมคือเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตนี้เป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิต และในธรรมคราวนี้ในการปฏิบัติตั้งสติสำหรับที่จะรักษาจิตไม่ให้ตกเป็นธาตของตัณหาของกิเลสนั้นก็คือเมื่อตัณหา ความเล่นรนทยานยากต่างๆบังเกิดขึ้นในจิตใจหรือเมื่อกิเลสกองโลภ ก, กองโกรธกองหลงบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ทาสติคือตั้งจิต กำหนดดูตัณหาในจิตของตนเองดูโลภดูโกโรธดูหลงหรือว่าดูราคะโทสะโมหะในจิตของตนเองและทำความรู้จัก ว่าอาการที่จิตของตนดิ้นรนกัดแวงกระสับกระส่ายดิ้นรนทยานอยากนี่แหละคือตัณหาอันเป็นตัวอกุศลธรรม คือธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตเมื่อความโลภ บ, บังเกิดขึ้นเมื่อราคะบังเกิดขึ้นก็ดูอาการของโลภของราคะว่าอาการที่จิตอยากได้นี่แหละเป็นตัวโลภ อ, อาการที่จิต ติดใจยินดีนี่แหละคือราคะอาการที่จิตขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองนี่แหละคือโทสะอาการที่จิตหลงสยบติดอยู่นี่แหละคือโมหะความหลง ดูให้รู้จักว่าเหล่านี้ก็เป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดูให้รู้จักหน้าตาของตัณหาของกิเลสให้รู้จักวันนี้เป็นตัวอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดังนี้ก็คือตั้งสติกำหนด ดูธรรมะในจิตนั่นเองก็คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นตัณหาเป็นกิเลสก็ให้รู้ว่าตัณหากิเลสเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมดังนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่ พิจารณาตามดูตาม ร, ามรู้ตามเห็น ร, รมคราวนี้มาดูจิตใจเองมาจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจประกอบด้วยตัณหาจิตใจนี้เองก็ดินรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในรูปบาง ไปในอารมณ์คือเรื่องรูปบางเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบางเรื่องรสบางเรื่องผลทพะสิ่งที่กายถูกต้องบางเรื่องของเรื่องราวเหล่านั้นบางอาการที่จิตดิ้นรนกัดแงกงประกระใสนี่แหละคือจิตที่ประกอบด้วยตัณหา จิตที่ประกอบด้วยโลภะก็จะเป็นจิตที่อยากได้ที่ประกอบด้วยราคะก็จะเป็นจิตที่ติดใจ ย, ยินดีจิตที่ประกอบด้วยโทสะก็จะเป็นจิตที่โกรธแค้นขัดเคืองงุ่นง่านจิตที่ประกอบด้วยโมหะก็จะเป็นจิตที่หลงสยบ เป็นจิตที่ง่วงงุนเครือบเครื่อฟุ้งซ่านนำคานครื่นแพรงสงสัยต่างๆเหล่านี้เมื่อกำหนดดูให้รู้จักจิตอันประกอบด้วยตัณหาหรือกิเลสดังกล่าวก็ทำความรู้จักว่าจิตนี้แหละเป็นจิตที่เป็นอกุศล เป็นจิตที่ประกอบในอกุศลตั้งสติกำหนดดูจิตดังนี้ก็เป็นจิตตาอนุปัสนาสติที่ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตของตน่าเป็นอย่างไรเรานี่ก็หัดกำหนดดูเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันบางทีก็เป็นสุขซึ่งเนื่องมาจากปัญหาซึ่งเนื่องมาจากกิเลสบางทีก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อันเนื่องมาจากตัญหาอันเนื่องมาจากกิเลส บางทีก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจากตันหาหรือเนื่องมาจากกิเลสแต่มีความเพลิดเพลินมีความสมปรารถนาเพราะตันหาหรือเพราะกิเลส ก็ทำให้รู้สึกเป็นสุขน้อยหรือมากในเมื่อไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ในเมื่อยังเป็นกลางกลางอยู่ก็ยังเป็นกลางกลางแต่วรวงความก็คือเป็นสุขหรือทุกข์ เรื่อเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจากตัณหาเนื่องมาจากกิเลสนั่นเองและเมื่อพิจารณาดูให้ดีอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นสุขนั้นคือแม้เป็นสุขเวทนานี่เองก็หาเป็นสุขเวทนาจริงๆไม่แต่ว่าเป็นตัวทุกขเวทนา เเหตุว่าเมื่อจิตประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยกิเลสจิตใจก็จะต้องดิ้นรนกวดแกว่งกระสับกระส่ายต้องร้อนมากหรือร้อนน้อยฉะนั้นอาการที่ไม่สงบดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย หรืออาการที่ร้อนนั้นก็จะมาปรากฏเป็นตัวทุกขเวทนานั่นเองดูให้ดีจึงจะมองเห็นตัวทุกขเวทนาอันซอกในอาการที่เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะตัณหาเพราะกิเลสเมื่อตั้งจิตกำหนดดู เวทนาดังนี้ก็ดูให้รู้จักว่าแม้เวทนานี้ก็เป็นอกุศลและเวทนาเวทนาที่เนื่องมาจากอากุศลและเมื่อมีโมหะไม่รู้จักตัวเวทนาของตนตามเป็นจริงว่าอันที่จริงนั่นเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ใช่เป็นตัวสุข แต่ยังมีความเข้าใจว่าเป็นสุขดังนี้ก็เป็นอกุศลเวทนาเป็นเวทนาที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวอกุศลและก็หัดกำหนดตั้งจิตพิจนารณาดูกายเมื่อกายประกอบด้วย ตัณหาประกอบด้วยกิเลสกายนี้ก็จะทำจะพูดเป็นตามอำนาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสอาจจะประกอบอกุศลกรรมทางกายทางวาจา น้อยหรือมากตามอำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสในเมื่อัหาแรงกิเลสแรงก็จะทำให้ประกอบกรรมทางกายทางวาจาซึ่งรวมเข้าในคำว่ากายนี้นั่นเองเป็นการฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้าง พระพริผิดในการบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานประมาทบ้างดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทำสติให้รู้จักว่ากายที่เป็นไปตามอำนาจของตัณหากิเลสดังนี้ ก็เป็นกายที่จะก่อกายกรรมวจีกรรมอันเป็นอกุศลต่างๆดังนี้ก็เป็นกายานุปัสสนาตั้งสติกำหนดพิจารณาดูกายความที่ตั้งจิตกำหนดดูให้รู้จัก ทำรู้จักจิตรู้จักเวทนารู้จักกายหรือว่าเรียงตามลำดับของท่านว่าตัางสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันตามเป็นจริงดังนี้เป็นตัวสติและเมื่อ ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมตามที่เป็นไปจริงๆดังนี้แล้วนี้ก็เป็นสติและเมื่อเป็นสติขึ้นมาดังนี้แล้วสตินี้เองก็เป็นตัวพละอำนาจกำลังสำหรับที่จะยับยั้ง ตัณหายับยั้งกิเลสไว้ได้ตัณหากิเลสก็จะอ่อนกำลังลงด้วยกำลังของสติที่กำหนดดูให้รู้จักคือแปลว่าสตินี้เองไปต้านเอาไว้เมื่อต้านไปไว้ได้ดังนี้ ตัณหากิเลถอยกำลังลงก็จะทำให้เกิดความยับยัง้งกล่าวคืออกุศลธรรมอันได้แก่ตัณหากิเลอ่อนกำลังจิตนี้ก็จะ ไม่พลุนพลันไปตามอำนาจของตันหาของกิเลสจิตนี้ก็จะเกิดความยับยัง้งไม่ก่อมโนกรรมฝ่ายอากุศลขึ้นอย่างแรงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะผ่อนคลายจากความ ยึดถือบีบบังคับของตันหาของกิเลสเวทนาเองก็จะผ่อนคลายลงจากความที่เป็นทุกข์อย่างละเอียดบงยางอย่างหยาบบางเพราะถูกกิเลสบีบคั้นมาเป็นเวทนาที่เป็นตัวความสุขความที่เกิดจากความสงบขึ้น กายเองก็จะเป็นกายที่มีความปกติขึ้นไม่ประกอบก่อกายกรรมมจิกรรมฝ่ายอกุศลต่างๆก็เป็นอันว่าเกิดความยับยัง้งซึ่งความยับยั้งนี้ ก็คือตัวศีลนั่นเองทำให้ไม่ละเมิดกายกรรมมจีกรรมมโนโกรรมไฟอุศลแล้วก็เป็นตัวสมาธิอย่างอ่อนนั่นเองก็ทำให้จิตมีความสงบขึ้นไม่ดิ้นรนกวาแกวงกรับกระส่ายไปต่างๆ ความริ่นรวนกวาดวแกงโทรสัพท์กระสายต่างๆนั้นสงบลงไปและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเป็นทางนำปัญญาคือความรู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้นคือรู้จักวันนี้เป็นอกุศล สติที่ยับยั้งไม่ได้นี่เป็นกุศลนบปัญญาที่รู้จักว่านี่เป็นอกุศลนี่เป็นกุศลนี้เป็นตัวปัญญาอันเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาสืบต่อไปนี่เป็นสติปฐานในขั้นศีล คือทำให้บังเกิดเป็นเสนขึ้นมาได้และในขั้นสมาธิก็จะทำให้จิตสงบขึ้นจากกิเลสอย่างหยาบ